อของได้กล่าวมาแล้วว่าโดยปกติของคนเราย่อมจะได้รับอิทธิพลมาจากความคิดของผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและสิ่งที่เป็นสื่อซึ่งจะทำให้ความคิดของเราไปถึงผู้อื่นหรือความคิดของผู้อื่นมาถึงเราได้ก็คือคำพูดกิริยาท่าทางสายตาน้าเสียงสีหน้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อ ที่จะทำให้ความคิดของฝ่ายหนึ่งไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับเกิดความคิดเห็นหรือเกิดความรู้สึกไปตามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้ที่ส่งมาเว้นไว้แต่ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้ส่งนั้นจะเข้ากันไม่ได้กับของผู้รับดังเช่นในกรณีของคนที่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่กันคนละภูมิหรือพ nope. mm. sí. ื้นฐานทางจิตใจต่างกันมาก ในกรณีอย่างนี้ผู้ส่งจะไม่มีอิทธิพลต่อผู้รับเกือจะไปเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของผู้รับไม่ได้การส่งกระแสจิตจะไปถึงผู้รับหรือไม่และจะมีอิทธิพลโน้มน้าวเขาได้หรือไม่โปรดอย่าลืมข้อเท็จจริงอันนี้ลำพังกำลังของสมาธิอย่างเดียวแม้จะสูงเพียงไรก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเอาชนะใจคนอื่น หรือบังคับคนอื่นให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนได้เสมอไปกระแสะจิตของคนเราก็คล้ายกับกระแสะคลื่นวิทยุซึ่งถ้าเครื่องรับหมุนไม่ตรงกับคลื่นที่ส่งมาคลื่นนั้นก็เข้าไปในเครื่องรับไม่ได้และยิ่งกว่านั้นกระแสะจิตของคนเรามีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าคลื่นวิทยุมากมาย ความเหมือนกันและต่างกันระหว่างความคิดเห็นความรู้สึกนื้อคิดสติปัญญาและคุณลักษณะอื่นๆของจิตใจของแต่ละคนนั้นมีมากมายยิ่งนักคนที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจเชื่อและทำตามนั้นจะต้องรู้จักพูดในสิ่งที่เขามีพื้นพอที่จะเข้าใจเชื่อและทำตามได้ถ้าพูดในสิ่งที่คนฟังไม่มีพื้นที่จะเข้าใจหรือเชื่อได้แล้วแน่นอน ทางพูดเหล่านั้นแม้จะดีเลือดสักเพียงใดก็ย่อมจะไม่มีผลต่อผู้นั้น